ข้อวัดปฏิบัติไปในกรณีไปเกิดในรูปในกาโมจรก็มีนะ้ในในกาโมภูมิเราเนี่แหละบางพวกก็ไปในรูปกาโภูมิบางพวกก็ไปในรูปากาโภูมิไปเลยแล้วก็เข้าใจว่านี้ง่ายเป็นทางความบริสุทธิ์หมดจดแล้วจากสังสาระแล้วพ้นจากว่าจะทุกรแน่นอนแล้วเข้าใจผิดแบบนี้เป็นนิสัยทิฏฐิอย่างนี้ด้วยแล้วก็ยึดมัน่นกันกระทําอย่างนั้นด้วยแล้วก็ทํากรรมแล้วตัวเองก็ได้เป็นบ้าอย่างนั้นด้วยเต้นยึดมั่นอะไรยึดมั่นสีและข้อวัดพจน์อย่างนั้น ว่ต่างหรบานนั้นว่าจะทําให้ตัวเองทุกข์แล้วเยอะมแยาแบบนี้ยถ้าพริจเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นมาเป็นกันนี้น่ากลัวจะเอาให้ได้ช้านได้สมาบัตกันเลยไม่ต้องไปได้อย่างนริงจังไม่เอากันเนี้ยนะไม่ต้องไมขนาดเอาได้เลยอันนั้นนก็จะได้จะได้เข้าใจถูกไหมทีนี้จะพูดถึงลักษณะดังที่ได้กล่าวเนาะลักษณะตรงนี้เน้นข้อต่อต่ อ, ตอไปก็คือจะอธิบายให้มีความรวดเร็วขึ้นมาหน่อยตรงนี้เพราะมันนี้จะหมดเวลา ก็หมดเวลาแล้วเบื่จะมาสรุปอันที่สองมันไม่ทันถึงอันทีสงสักทีเลยเดีด๋ย <c oughs> วนี้เรื่ศีศลรรลักษณะนี่นะลักษณะอันนี้ก็เรื่องจากรกุาญยังไม่กล่าวรัศากล่าวถึงจิตของศีลเลยอันนั้นกี่ยวกับศีลนะก็ไม่พูดแล้วนะไม่ต้องพูดแล้วเกี่ยวในเรื่องของศีลนะเรื่องดนานการตั้งไว้ได้ดีแล้วก็ทรงไว้ได้ดีสมาทานนางและอุปัฏารนางซึ่งตามกันในเกี่ยวกับในเรื่องของ ปะทวีอะไรก็ต่างอันนั้นอันนั้นก็ต่างเพราะเคยอธิบายไปแล้วบ้างส่วนอิจารรสเนี่ยนะและสัมปติรสเนี่ ย, ยมีการทําลายความทุศีลทําลายอากุศลนั่นเองอันมีการประเพทยดแห่งการไม่สํารวมทางกายไม่สํารวมวาจาเป็นกิจเป็นหน้าที่กิจของเ้าก็คือหน้าที่ของศีนหน้าที่ของศีลก็คือเขากําจัดความเป็นผู้ทุศีนไม่ให้อกุศลไหลเข้าสู่กระแสจิตและกายเป็นผู้ทุศีนโดยการฆ่าโดยการรักเป็นต้น คุณคือความมีคุณธรรมที่หาข้อตีเตียนไม่ได้นี่ก็เป็นรสเหมือนกันนี่เป็นสมบัตินะคือการถึงพร้อมโดยสภาวะที่เป็นผู้อันใครๆตีเตียนไม่ได้ถึงพร้อมด้วยการที่เป็นฝ่ายหาโทษไม่ได้แล้วตีเตียนนี่เมื่อมีศีล น, นะทางกายก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมทางวาจาก็ไม่พูดเท็จเสียดคําหยาบแลบ้วเพิ่มเยอทางใจก็ไม่โลภโลกรธหลงไป็นต้นเหล่านี้ยอย่างนี้พิจารณาไปแล้วเนี่ยหาข้อติเตียนไม่ได้ ในการที่หาข้อติเตียนไม่ได้เนี่ยผลปรากฏที่ปัจจุบันนะเขาเรียกผลปรากฏเนี่ยของสีนั้นอันยินยูชนเนี่ยก็กล่าวกันเลยพระพุทธเจ้ากล่าวอู้ท่านพุนี้มีกายสะอาดท่านพุนี้มีวาจาสะอาดท่านพุนี้มีใจสะอาดผลจริงๆเนี่ยแปลว่าสุจริตสามต้องดีไหมกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตต้องดีตัวกุศลศีลเนี่ยต้องสุจริตสามต้องดีนะ ถ้าพรสุจริตสามไม่ดีเนี่ยแปลว่าศีลทำจิตหรือไม่ทําคุณเศลศีลศีลไม่ทํางานถามเมื่อศีลไม่ทํางานหน้าที่ของคนที่จะบังคับให้ศีลทํางานต้องเรียกเขามาอบรมเขาไหมต้องมาอบรมต้องมาศึกษาต้องมาบอกเขาทําไมคุณที่เกียรตไม่ยอมทํางานบอกเออเจตนาศีลมานี่หน่อยมาคุยกันหน่อยวันเนี้ยเอาอะไรกันแน่ในชีวิตเนี้ย เจตสิกศีลมาไอ้หกตัวเนี่ยสัมมาวาจะสัมมากรรมจะสัมมาชีวาไปไหนมานี้ใช่ไหมใช่ไหมเอาตัวอนัพิชาความไม่โลภมานี่หนอ่อยอัพยาบาทความไม่โกรธมานี่สัมมาทิฏฐิมานี่หน่อยมานั่งคุยกันสังวรศีลก็มาด้วยความไม่ก้าร่วมก็มาด้วยมานั่งประชุมตกลงวันนี้จะทํางานหรือไม่ทําคุยได้ไหมบอกเจตสิกศีลใช่ไหม เจตนาศีลแจสิษสศีลสังวรศีล น, นาวีติกรรมศีลล า, าพักหมดเลยโทษศีลเลยต่เนี้ยก็ถามก็เลยตกลงจะไม่ไม่เอาใช่ไหมมนุษย์และเทวดาเป็นต้นตกลงไม่ยอมแล้อะไรไมจะลงต่ำกว่านี้ใช่ไหมถามวไปบ่อยเอาไม่เอา จะลงอะไรยังภูมใช่ไหมถามพวกนี้นะถามบ่อยๆสินะข้าวเนื้อข้าไม่ไหวแล้วเป็นหนอนก็ยอมอยุ่งเลยตรงนี้ทางนี้ยุง่ยงแล้วใช่ไ้มได้หลักการต้องแบบนั้นนะอันนี้พูดให้เป็นตัวบุคคลแต่จริงๆต้องอย่างนั้นเลยนะเพราะต้องให้ความรู้เขาต้องให้ความรู้เราเหมือนกับที่กรณีเกให้ความรู้ให้ข้อมูลแล้วแยกดีช่วยข้อเห็น อันนี้คือโยนิสงฆ์มณฑสการ์นะแรงแค่กวรแยกให้เขาเห็นพิจารณาว่าพระบรมาศาสด า, า, าจะา ก, ก่ออยูุ่บัดเกิดขึ้นไมหมหกมือพระองค์เป็นศีลเท่าไรยี่สิบอมาสองข้ายิ่งด้วยแสนกับก็เพื่อเธอเพื่อคุณนะทําไมคนไม่ทั้งวอนระวังทําไมไม่ศรัทธาทําไมไม่น้อมบางทางก็บอกก็ไปเรื่อยอยู่ไหมอดลมให้ข้อมูลก็ไปบู๊ไปเดี๋ยวเ้าก็เออจริงเ ด, เดี๋ยวก็อ่อนก็มันแข็งมาตั้งนานเนี่ยไม่ไม่ยอมรับฟังข้อมูลอะไรเลย แล้วก็ให้ข้อมูลไปให้ใช่ไหมก็ใช่ต้องมีข้อมูลไม่ใช่นั่งมืึนคิดอะไรก็ไม่ออกเนี่ยไปคิดอะไรไม่ออกแต่อยากค้นทุกขถ้าให้ข้อมูลเขาอย่างนี้ยนีชัดให้ข้อมูลเนี่ยนาคาเนี่ยเขาอยู่ไม่ไหวหรอกจริงไหยโยมอ่ะจะทาร้อนเลยยังไม่ทันเปิดไฟแต่ร้อนแล้วเจ้าของไฟเผาหูวไฟเผาหู ไ, หาหไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวเจ้าดีลองคิดจริงจรดินี่ปริมาณความคิดของหัวมนุษย์เนี่ย คิดย да, ิ่งใหญ่ขนาดไหนยังได้เลยคิดให้เป็นกุศลคิดออกจากการมคิดออกจากความพยาบาทคิดจการไม่เหบียดเบียนคิดในการเจริญกุศลต้องคิดบ่อยๆสิคับเดียวแค่นั้นเน่ยโยไม่ไหวสักลายลองคิดไม่ไหวแล้วเราจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวอยู่นี่แหละใช่ไหมนะตั้งนานก็ไม่ไหวกันอยู่นี่แหละยินยอมไม่ไหวแล้ว เอาต่อไปประทัดฐานประทัดฐานมีอะไรเป็นเหตุใกล้ความสะอาดกายวาจานี่เข้าใจชัดเดนเป็นอุปท า, านะเนาะความสะอาดทำเป็นทำที่สะอาดผลอาการปรากฏเหนไหศีลดังที่ได้กล่าวแล้วเนะี่ยมีอวิปปิสารที่ความไม่เดอนร้อนใจเป็นผลนะ ความไม่เดือดร้อนใจเป็นปัจจัยแก่ปลาโมดปลาโมดเป็นปัจจัยแก่ตีติปีติเป็นปัจจัยแก่ปัจสถานีปัจสถทนีเป็นปัจจัยความสุขสุขเป็นปัจจัยแก่สมาธิเป็นผลในหน้าที่สิบแปดจนี้ก็ไปต่อเองเพราะพูดู่อยแล้วมันไมจะขยายมันพี่จะชัดในคำสอนนี่โอ้ยศีลยังความไม่เดือดร้อนใจให้ปรากฏมีความมีอวิปปิสารที่ความไม่เดือดร้อนใจเป็นผลและมีสมาธิเป็นผลได้แก่สองความหมายจริงๆก็ต้องไล่ในทางนล้วะ นะก็จะทำให้ความเข้าใจชัดขึ้นแล้วก็ศีลยังความไม่เดือดร้อนใจปรากฏในบัดนี้แน่นอนไหมแน่นอนแล้วการต่อไปเราสมาธิปรากฏไหมละ่ะแล้วปัญญาไม่ต้องกลัวเลยลถ้า้ากโศลศีลแข็งแรงเพราะการเรียนโุศลศีลเนี่ยถามลองให้สังเกตดูดีว่าเจตนาเจตสิกมีปัญญาไหมเห็นไหมไม่ใช่คนร่างกาศี่บอโอ้ยไม่มีปัญญาไม่ใช่เลยใช่ไหม อนัปาติโมก ส, สังวรศีใช่ไหมสีทั้งวันสติทั้งวรนหนึ่งสติหนึ่งญานั้สังวรนุนนานาน่นปัญญาเห็นไหมเนี่ยธรรมดาที่ไหนละสีเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราคิด <c oughs> ไม่ใช่อย่างี้่ใช่อย่างที่เราคิดบอกว่าไว้ล้วภาษาสีไม่ไ ป, ไปใช้ปัญญามาพิจารณาเป็นศีตัวปัญญาเนี่ยแหละเป็นสีจร่งไหมแต่เราคิดให้เป็นปัญญาเรคิดอย่างพุ่งสั้นเนะีะชุดเดือปัญญานี่อิริโอตะป่านี่เป็นพื้นฐานเราสี มียาวเลยรู้จักหิริอรัตตาบาไหมมีหิริอรตตาบานิดนึดนดนด่มีความละอายเกียดเกลียดบาปเป็นลักษณะใช่ไหมจิตของหิริคือการไม่ทําบาปนะอาการาปรากฏต้องมีความละอายตบบาปนั่นแหละอะไรเป็นอะไรเป็นเหตุใกล้ของหิริหิริมีเคารพตนหรือเคารพผู้อื่นเคารพ ต, ตน ถ้าอัตาป่าแล้วก็มีความสะดุ้งกลัวมีการไม่ทําบาปมีความละอายต่อบาปเกกลัวตัวบาปเหมือนกันทีนี้อดตาป่านี่เคารพกันเคารพผู้อื่นตรง น, นี้เขาต้องเข้าใจนะเคารพตนกับเคารพผู้อื่นสรุปก็ฮีรีเนี่ยเขาอุปมาเหมือนจะญิงสาวผู้มีสกุลขยะขยั้งตอลังเกียจตัวบาปประทําเนี่ยด้วยการเคารพตนอาศัยเหตุภายในนะถ้าอดตาป่าก็อาศัยเหตุภายนอก อา้าวเคารพตนมีเหตุภายในมีอะไรบ้างกูล่ก็คือละอายต่อบาปคำหนึงถึงตระกูลวัยยะก็คำหนึงถึงวัยตอนเนี้ยทีนี้น้าน้าน้านาเกิดไหมคิดถึงวัย น, นี้ตัวเองนะตระกูลวัยแล้วคิดถึงอะไรเนี่ยฟังหูสตัตวละอายต่อการที่ได้ศึกษาอุ้ยเราเรียนสรีมาพระก็อุ้ยมาบรรยายเรื่องศีลตลอดเลยตงมีครูมีอาจารย์เห็นไหมเคารพต่อการศึกษาเนีหยเคารพต่อการศึกษาฟังเรื่องศีลมาขนาดนี้เรายังจะไปทำแบบ ไม่ร้องควรแยเราเลยอันเนี้ยแล้วเคารพต่ออะไรดีละอายต่อชาติภูมิมันเบื่สิ่งที่หน้านั้นก็คือว่าเคารพอะไรตอนเนี้ยคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ้าวถ้ายังไม่หายละอายคิดถึงพระบรมศาสดาโอ้พร บ, บรมศาสดาประทานกุศสารสีมาก็จะรักษาศีลเป็นบริเจ้ามาด้วยความเหนื่อยยากเราก็จะมาทุศีลต่างๆนี่ปรพตัวนี้ไงอีกย่างหนึ่งก็คือว่า เราเนี่ยถ้าเป็นพระนี่นะต้องคิดยังไงรู้ไหมพระก็คิดถึงความเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นญาติพระเจ้ากันแน่เลยเป็นทายาทที่ยิ่งใหญ่ถ้าพระก็คิดถึงว่ามีสัพพ ร, รม迦รีเพื่อนบพุทธโภมาจันอาชีเพื่อนบพุทธโภมาจันของแม่ชีเนี่ยถ้าเป็นนักบวชภิกตุนีนะภิกตุนีระดับสูงผู้หญิงแนวใครดีเป็นตัวอย่างนางประชากวดี นี่นะนางอุบลวันนาเนี่ยดูทีเนี่ยถ้าไม่ถึงนั้นก็คือดูอบาศกุบาสิกาดูท่านวิสาข า, าน้อุบาศก์นาวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นต้นนั่นแหละคือผู้ประพฤติธรรมท่านเป็นใหญ่ท่านไม่ ท, ไมท่านไม่มีที่สุดกันดังนั้นนะยเนี่ยดูอย่างนี้ก็น่าชื่นใจกรณีในลักษณะอย่างนี้ก็คือเราอายต่อบาปโดยคำหนึ่งถึงความกล้าเข้มแข็งตัวเองเราไม่ใช่คนอ่อนแน ถ้าในกรณีเขาโอตปากก็คือเหตุภายนอกเนาะเหตุภายนอกก็คือว่ากลัวต่อการตีเตียนเดนเองกลัวต่อผู้อื่นตีเตียนกลัวต่อราชธรรมกฎหมายบ้านเมืองสิ่งที่สะดุ้งกลัวมากที่สุดก็คือภัยในไบยภยูเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการที่ทำให้เกิดความสะดุ้งกลัวแล้วก็หวั่นไหวโอตปากก็เกิดขึ้นมาอำนาลัวไม่ได้ไปเกิดเป็นอบายสัตว์ มันก็น่ากลัวใช่ไหมในลักษณะอย่างเนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้คือเป็นเรื่องของกุศลศีลที่มีประทัดฐานก็คือฮิริโอตาปะฮิริโอตาปะเป็นประทัดฐานอันนี้เป็นเหตุใกล้ส่วนกรณีที่พูดถึงอานิสง์อานิสง์ตรงนี้ท่านก็กล่าวไว้ในความที่ว่าไม่อาวิปฏิสาสนาะดูก่อนอานน์กุศลศีลทั้งหลายอันหาโทษไม่ได้ มีความไม่เดือดร้อนใจเป็นประโยชน์มีความไม่เดือดร้อนใจเป็นผลเป็นกำไรอาวิปัิสารคือความไม่เดือดร้อนใจได้แก่อะไรสภาวะคือกุศลจิจวารอันเป็นปฏิปักษ์ต่อวิปัิสารคือความเดือดร้อนใจให้สังเกตดูนะว่าเมื่อกุศลศีลแข็งแรงและประเดินกุศลศีลได้ค่อนข้างอย่างดีแล้วเนี่ยนะ <c oughs> ก็จะเกิดความไม่เดือดร้อนใจไม่เดือดร้อนใจนั่นตัวกุศลกิจวารที่เกิดขึ้นฉะนั้นตัวกุศลจิตตุปปาที่เกิดขึ้นตรงนั้นอ่ะ แปลว่าอะไรพอหลังจากกุสราสีนเดินได้อย่างแข็งแรงชัดเจนเด็กเสร็จแล้วยังต่อเนื่องเลยนะอํานาจของกุสราสีนเนี่ยจะทําให้ชื่นใหญ่ที่ท่านกล่าวไว้บอกว่าด้วยอำนาจของการพิจารณาถ้าเราไปพิจารณาเจตนาศีลเจตสิกศีน ส, สังวรศีนอวิติกรมาคือการไม่ก้าร่วงนะท่านพิจารณาอย่างไงตรงนี้ท่านพิจารณาในลักษณะ น, นี้บอกว่าศีลเป็นที่ประชุมแห่งธรรมะอะไรศีนเป็นที่ประชุมของสังวรทั้งหลาย เป็นที่ประชุมของปาฏิโมกสังวรเย้ไหศีลสังวรเนี่ยเป็นที่ประชุมของสติสังวรเป็นที่ประชุมของญาณสังวรคือปัญญาเป็นที่ประชุมของวิทยาสังวรคือการออกจากกามฉันทะปยาบาทเป็นต้นเป็นที่ประชุมของขันติสังวรยังไหมไม่ก้าวล่วงเพราะความอดทนเป็นที่ประชุมของอะไรดีของอวิติกรรมะคือการไม่ก้าวล่วงเลยไหม การไม่ก้าร่วงเป็นที่ประชุมของเจตนาศีลได้ไหมเป็นที่ประชุมของเจตสิกศีลทีนี้ศีลเป็นที่ประชุมแห่งสังวรในการไม่ก้าว่วงเป็นที่ประชุมแห่งการสังวรในการติดบาปเป็นที่ประชุมแห่งการไม่ก้าร่วงเป็นที่ประชุมของเจตนาเป็นต้นศีลพระธรรมวสังวรไม่ก้าร่วงอะไรไม่ก้าร่วงปานาติบาไม่ก้าร่วงอาทินนาทานไม่ก้าร่วงการเมสุมิชฌาจารย์ ไม่ก้าวล่วงมุสาวาจไม่ก้าล่วงปีสณาวาจาพรุทธสาวาจาสัมภะพลาปะไม่ก้าวล่วงอภิชาอภิชาแต่ว่าความโลภไม่ก้าวล่วงพยาบาทไม่ก้าล่วงนิจชาทิฏฐินี่เข้าใจคําว่าไม่กล้าล่วงไหมแปลว่าตัวกุศลศีลเนี่นะทั้งเจรนาเจรศิสังวรอวิิกรมะเนี่ยเขาออกจากการฆ่าได้ออกจากการลักได้ออกจากการโดยวุตถิในกรรมได้ เขไม่ก้าวล่วงการท่าการละ ก, กันวิจิตการรมเลยแล้วก็จะไม่พูดเท็จส่อเสียดคาหยาบและเพ้อเจือและไม่โลภด้วยไม่กโกรธ ด, ด้วยมีความมิ้นถูกด้วยถามว่าแปลว่าทํามีสุดจิตกินะอย่างนี้ความไม่เดือดร้อนใจเกิดนะความชื่นใจก็เ ก, กิดทีนี้พอเขาหมุนสุดจิตสามเดินสุจริตสามได้อย่างต่อเนื่องเลยในทุกียาบท ยืนก็สุจริตสามแข็งแรงมากเดินก็สุจริตสามแข็งแรงมากกายสุจริตวิจิตสุจริตมโนสุจริตนั่งนอนยืนเดินคู่เหยียดก้มเงยทำกิจต่างๆสุจริตสามก็เป็นไปในกระแสขันธะระยะนี้อย่างนี้ถือว่าสีศ ม, มเดินได้ชัดเจนไหมแปลว่ามันต้องเกิดขึ้นจากการคิดการคำนวณการให้ควรการคิดถึงการสมาทานการศึกษาการมนสิกการการใส่ใจ ใช่ไม่ใช่ก็ใช้สอบอะไรก็ใช้ไปแต่ประเด็นก็คืออยู่ที่ความจงใจเจตนาเพราะ ว, าว่าไปถึงนั่นแหละแปลว่าศีลเดินแล้วถามว่าออกเทนี้พออย่างสติจริสามเนี่ยถ้าสติเรสามดีได้อย่างนี้แปลว่าสติปัฏฐานประชุมได้ไหมมีโอกาสประการต่อไปเข้าใจว่าสังวรด้วยและไม่กล้าร่วงกามาชันทด้วยนียกับมเห็นไ ปกติเนี่ยถามว่าตอนนี้ใจน้องไปหากามกับออกใจกลามมันไหนมากกว่ากันน้องไปหารูปสวยๆเสียงของพ่อกลีนน้องหอมรสแต่ลอยรสปาที่นิ่งกการน้อมออกเอาไงอันนี้แปลว่ายังไม่ก้าวร่วงเออแปลว่าไม่ก้าร่วงอันนี้เขาเรียกก้าร่วงตามไปแฉันท่าไปแล้วเนะ่ยศีลต้องไม่ก้าวร่วงต้องถอยกลับต้องหดออกมาใช่ไหะต้องหดออกจาก กามาฉันทานน้องก็หานเย่ธรรมะถ้าใจยังพอหรือยังต้องไม่ก้าวล่วงด้วยแล้วก็ต้องสังวรด้วยต้องไม่ก้าวล่วงพยาบาทด้วยลายด้วยการไม่พยาบาทก็ต้องมีเมตตาใช่ไหมถามว่าแล้วยังหงุดหงิดอยู่ไหมเนี่ยอันนี้มันแปลว่าศีลไม่ทํางานศีลไม่แข็งแรงถ้ยาใจยัง แปลว่าศีลเนี่ยนะอักของศีลอีกความหมายนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าต้องสังวรคือปิดบาปและไม่กล้าล่วงถีน้ํามิถาด้วยอโรมกับสัญญาแต่ตอนนี้เป็นไงเนี่ยอมีศีลไนะตอนนี้ถีน้ำมิถาเกิอดอยู่หรือออกจากถีน้ํามิถะออกไมิยังชีของแต่เมื่อไหร่ออกเมื่อตะกี้อ เ, อเองหัยุ่งเลย ใช่ไหมศีลต้องออกได้ต้องออกจากทีนมิทะเขากําหนดเข้าหาอารมคัตัญญาคือความสว่างในใจนะกําหนดหมายว่ามีแสงอาทิตย์บ้างแสงจันทร์บ้างหรือกําหนดว่าทิศสว่างมนนักสิการถึงความปรุงความโลกอัติอียบทนี้ออกไม่ได้เดินหรืนั่งเขาจะมีอุบายวิธีเยอะแต่ว่าต้องออกใช่ไหมตัวอาจต้องศีลต้องออกจากทีนะมิทะเข้าสูงอารมคัตัญญาออกจากอุทะจักุกุจัก คือฟุ้งซ่านลำคาญใจด้วยความไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญใจออกจากวิจิจรฉาด้วยการกําหนดทำอตอนเนี้ยตอนนี้ยังลังเลไหมหปฏิจะมีจะรักษาสีหรือเอาชเอาสีเลยชีวิตเอาสีเลยชีวิตตรงเนี้ยนีเ่เขาเารียกวิจิตรฉาดยธรรมเอาสีเลยชีวิตถ้ายังออะไรดีอะไรดีไงวิจิจรฉาหรือเปล่า กำหนดลงไปเลยว่าเอาศีลเกระชาก็คิดเอาศีลเอาศีลก็ว่าไม่ต้องหลอกอย่าไปคิดต้องก็ว่าความคิดอย่างนี้จะทำให้ไม่กล้าคือคือ ไม่ต้องคิดแล้วเหตุธานไม่ต้องคิดไม่ต้องไปคํานวณอย่า ก, กังวลมันจะกลายเป็นเหตุถึงความกังวลคือมนานสิกานว่าระหว่างระหว่างศีลกับชีวิตระหว่างเอ่เออันนี้ ระหว่างศีลกับลาภสกสาระเอาศีลระหว่างศีลกับยศเอาศีลระหว่างศีลกับญาติเอาศีลระหว่างศีลกับอวัยวะเอาศีลระหว่างศีลกับชีวิตเอาศีลก็ยังอย่างเงี้ยตอบปัญหาได้อย่เงี้ยนะมีชัดใช่ไหมเขาบอกว่าระหว่างศีลกับชีวิตเหม่เอาศีลนั่นแหละแต่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะไม่ไหวอย่าไปคิดอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่ยมีวิจิกิจฉา ไม่กําหนดทำไม่กําหนดทำไม่แน่วแน่ไม่ชัดเจนปล่ยไปเลยแล้วต่อไปจะกลายเป็นคนไม่ไม่วิจิตรฉาอีกต่อไปเนี่ยสังสารวัตรที่ผ่านมาเนี่ยเราวิจิกิจฉากันแบบนี้แหละเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรระหว่างโลกกระสือโลกกระสืกส็อยู่น เ, ยเนี้ยเอาไงญาติเนี่ยโลกกระสือญาติก็เอาสี คิดไปเรื่อยๆถึงแม้ใหมายเนี่ยคิดและใจหัวถูมันก็ต้องศีลอยู่แล้วจริงๆองตอบคือศีลนั่นเองถ้าอย่างนี้นะอันนี้ีนี้ที่พูดนี้พูดนี้คือหลักปฏิบัตินะอันนี้คือหลักปฏิบัตินะไอ้ที่มันผ่านมามันเป็นแบบนี้ไงกายเป็นว่นไม่ไหวแล้วเอาเหตุผลอะไรมาแทรกกันเยอะแยะเด็เด็ดทุกทีมาฟังแล้วอืเดินหนีทุกทีมามองแล้วถ้าคิดอย่างนี้นะ ตัดสินใจไปเลยแล้วชัดต่อไปจะกลายเป็นคนชัดสมัยก่อนเอามาพูดไปมันเหมือนยกตัวเองนี่ยอามาเดินนั่งคุยโยองใช่เพราะจริงๆอะมามองดูพุ๊บเนีย่ยยามมองดูพุ๊บเดี๋ยวกูไปก่อนกูคิดแบบนี้พอคิดคิดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดีดได้ดีเสียทีกลายเปคนลังเลวิจีอิจฉาเยอะไปกังวลอย่อะแยะทั้งๆที่ศีลดีกว่าชีวิตก็ไม่เอาศีนศีนดีกว่ายาติก็ไม่เอาศี ศีลดีกว่าทรัพย์ก็ไม่เอาศีลศีลดีกว่ายศก็ไม่เอาศีลศีลดีกว่าอวิวะก็ไม่ยอมเอาศีลแต่รักษาศีลเขามีอุบายเขาฉลาดต้องเข้าใจไม่ใช่ไม่มีปัญญาคนนี้ไม่มีปัญญารักษาศีลไม่ได้ไม่มีปัญญารักษาทรัพย์ไม่ได้เอาทรัพย์ไว้ไม่อยู่ก็จะไปรักษาศีลด้วยโทสะบ้างรักษาศีลดนมานะบ้าง รักษาศีลได้วิจิตริชาเป็นต้นเยอะแยะหมดฉะนั้นมันอยู่ที่ข้อมูลความเข้าใจแล้วต่อไปมีจะพัฒนาได้เห็นไหมนะกรณีเนี้ยออกจากกา ร, รมฉันท้าด้วยเนค่คัมมะออกจากพยาบาทด้วยอาพยาบาทคือความไม่โกรธออกจากอุทธจะ ก, กุกุจะด้วยการไม่ฟุ้งซ่านออกจากจากศีนมิทาด้วยอโลกัสัญญาคือความสว่างภายในภายนอกออกจากวิจีตริชาด้วยการกําหนดธรรมอย่างั้นแล้วก็ ออกจากอาวิชชาได้ยานนะคือปัญญาเห็นไหมศีลเป็นอย่างนี้นะก็มีปัญญาอยู่ในศีลด้วยใช่ไหมก็ออกจากอาวิชชาได้ปัญญาด้วความรู้ด้วยความเข้าใจอย่างตรงแท้ออกจากอรารติคือความไม่ยินดีอารติคือความไม่ยินดีความอึดอาดความเบื่อหน่ายความท้อถอยไม่ไหวแล้วมั่งเราอะไรก็แล้วแต่เนี้นะด้วยความร่าเริงด้วยความมั่นใจนะเข้าใจไหมด้วความสอ่องแพร่ะ อย่างเรียงตั้งตนว่าไม่โลกไม่โกรหลงเรี่ยจะชื่อว่าจะได้รักษาิ่งคือตรงนี้คืออย่างนี้มันต้องเข้าใจศีลก่อนถ้าไม่เข้าใจเจดนาเจศิืขนตัวนี้มันก็ไปกับโรคเข้าใจแต่บางทีเนี่ยอย่างมึดว่าการตั้งประเด็นอย่างนี้มีปัญหาเยอะไงมีประเด็นบอกว่าใครเป็นผู้ตั้งถ้าคนเข้าใจตั้งเนี่ยอามาก็บอกว่าเบยานก็บอกว่าได้ แต่ถ้าคนที่ไปตั้งประเด็นนี้มีคนไม่รู้จักศีลเลยอธิบายยาวเลยแม่ทีนี่ยาวเป็นเรื่องยาวบางครั้งเจอปัญหาแต่แล้ปัญหาเนี่ยนั่งไม่รู้จะตอบอยังไงตอบได้จริงแต่บางคนจะให้ให้ใหตอบปัญหาไปสองนาทีได้หรือไม่ได้ยากมากเพราะว่าคนถามไม่มีข้อมูลเนี้ยไม่เคยรู้จักเจตนาศีลยังไงเจตสิกศีลยังไงสังวรศีลอย่างไง ความไม่ก้าวร่วมเป็นสีอย่างไรก็เราเรียนสีกันมาสามอาทิตย์อาทิตย์ละตั้งสามสี่ชั่วโมงอได้แย่นี้เข้าใจยังยังได้แค่นี้ ย, ย แ, แล้วถ้าไม่เคยฟังข้อมูลเรื่องสีเลยจริงไหมแล้วจะทํำยังไงแล้วเนี่ยต้องเอาไปฟังทวนประมาณยี่สิบรอบสามสิบรอบเนี่ยสี่สิบรอบเนี่ยต้องถามพระดีด น, น, นั่งทวนะนะนั่งแกญ่นั่นั้งพะนะนั่งแกะนั่งทวน เอาแต่นี้กรณีศีลอย่างนี้แล้วนะว่าว่าไม่ก้าล่วงกามาฉันทาพยาบาทีนะมิต้าอุณหจารกุกุจาวิจิจาคือไม่ก้าล่วงนิวรณ์โดยปฐมฉานเห็นไหมศีนเป็นประชุมในปฐมฉันแล้วตอนเนี้ยเจตนาเดียสิกสัมวร อ, อวิชกมารเมื่อกี้ออกจากอะไรออกจากกางมาฉันทาได้เนี่ยขมารเป็นเจ้าระนี้เห็นไมนั้นเป็นระดับอุญญาล่ะนะระดับอุปจาระ เห็นไมมทีแรกอ่ะการไม่ก้าวล่วงการมาฉันนาด้วยเนกขม้าไม่ก้าวล่วงพยาบาทด้วยอภิยาบาทไม่ก้าวล่วงถีน้ำมิฆาด้วยอาลกณ์กัญฑยาไม่ก้าวล่วงอุเทจักกุกุจารด้วยความไม่ฟุ้งซ่านนี้นะไม่ก้าวล่วงวิจิจิชาด้วยกำหนดธรรมไม่ก้าวล่วงอวิชชาด้วยยานะไม่ก้าวล่วงอรติด้วยความล้านเลยด้วยความมีดีใช่ไหมตรงเนี้เป็นระดับยังไม่ได้ชาอะไรเลยนะแต่เป็นการประชุมศีลระดับสูงขึ้นมาสูงกว่าการออกจาก อาภุสนกบวิเท่า น, นั้นเองถามว่าต้องได้สัมผัสรสชาติของสีแบบนี้นะชีวิตนะ่ะถึงแม้ยังไม่ได้สมาบัต ใ, ใดๆเลยเนะี่ยต้องได้สัมผัสเข้าใจใช่ไหถ้าอย่างนั้นมันจะได้ดื่มด่ำพระดำของพระยา้าที่เขาบรมศ า, ศาสดาสอุตส่าห์เหน็ดเหนื่อยบำเพ็ญบารมีมาขนาดหนนะักประทานสีมาให้เนี่ยถ้าไม่ได้ดื่มรสของสีบ้างเ ล, เลยเกิดมาในชาตินี้เสียอะไรดี ออใช่ไหมยอมพูดเองว่าเสียชาติเกิดเนี่ยเอาเราอุตส่าห์มาฟังพระธรรมบางคนเนี่ยอสมมุติเอาอย่างพีแมนโอ้โหทั้งทำทั้งตัดต่อเทปใช่ไหมทั้งขับรถพาพระมาบางคำถ้าไม่ได้ดื่มด่ำบ้างเลยเนี่ยก็เสียหายเลยเนี่ยนะอย่งนี้ก็ถือว่าเสียหายแหละเพราะต้องได้เอาไปฟังมาไปตัดต่อฟังตร ง, ตรงนั้นตรงนี้แปลว่าต้องดื่มด่ำต้องเข้าถึงอาถรรพณ์นะ ถ้ไม่ได้จริงๆก็แปลว่าแค่ไปรีบน้ํานมโคเอ้าน้ำนมโคไปกินกันนะสุขภาพจะได้แข็งแรงเข้าใจใช่ไหจริงๆน้ํานมโคไปรีบถึงที่ไม่หมองไม่ควรออกมามากรองอีกทีอ่ะแล้วก็ไปให้พวกเราฟังพวกเรามาก็เออดีนะดีดีอาว้างไว้คนรีบกันคนที่จัดการตกแต่งโอ้ดีดีดีเอ้าเอาไปกินเนี่ยเอามาก็มาพูดวะดีดีดีทุกคนไม่ได้กินเลยอ่ะ ถ้าหน้าซืได้ไม่ยอมทำไมันต้องให้ได้ประโยชน์นี่อย่าไปอย่าไปบอกว่าุคนนั้นดีเข้าใจยอมนอบเข้าใจยอมสมาธิใครคนนั้นเข้าใจเราต้องบอกว่าทําไมเราเข้าใจไม่ได้จริงไหมทุกคนเข้าใจได้การไม่เข้าใจเนี่ยแปลบ่งบอกว่าเราจะปฏิบัติไม่ถูกนะ ไม่เราปฏิบัติไม่ถูกเราจะไม่ได้ดื่มอั่มรดของสิ่งเปตนะ็ต้นเราเสียหายอ ย, าอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องทําความเข้าใจให้ชัดทีนี้เขาออกจากนิวรนห้าด้วยปฐมฌานแต่ว่าไปประชุมในปฐมฌานแล้วจะดีนะเจนาเจ ส, สังวรเป็นต้นออกจากวิตกวิจารณ์ด้วยทุติยฌานก็แปลวไม่ก้าวล่วงไงไม่ก้าวล่วงวิตกวิจารณด้วยทุติยฌานไงด้วยทุติยฌานไม่ก้าวล่วง ติติด้วยตัดยชาณไม่ก้าวร่วงสุขทุกข์ด้วยเจตุจิจารไม่ก้าร่วงรูปปัสัญญาปฏิฆาสัญญาแล้วก็นานาตัสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะไม่ก้าวร่วงอากาษานัญจายตนะด้วยวิญญาณัญจายตนะสมาบัติไม่ก้าร่วงวิญญาณัญจายตนะสมาบัติด้วยอากินจัญญายตนะสมาบัตไม่ก้าร่วงอากินจัญญายตนะสมาบัติด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติต่อไปก็คืออะไร สีนเพราะอาจจะว่าเป็นที่ประชุมด้วยเป็นที่ไม่ก้าล่วงเป็นที่สังวรด้วยอะไรก็คือต่อนเวลาก็จะเจริญวิปัสสนานี่นะจากอยู่ที่แค่อุปจาระเขก็เดินได้ใช่ไหมไม่ได้ขึ้นสายชาจะมาบัติเป็นต้นก็ได้แต่เขาจะเดินแบบพิสดารต่างๆนั้นก็เดินขึ้นสมาบัติเป็นต้นก็ได้ตรง น, นั้นก็ไปทำความเข้าใจแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่ า, วาไม่ก้าล่วงนิจจสัญญานิจจสัญญาคือความสําคัญว่าเที่ยงด้วยอนิจจ า, าวุปัสสนา อันนี้เขาวิบัตินายอ่ะเขายัางเนี่ยโปติสัญญาที่เราจําเห็นว่าเที่ยงมรือไม่เที่ยงเราเมื่อวานนี้กับวันนี้เป็นคนเดียวกันใช่ไหมเราที่ลุกขึ้นไปกินอาหารเมื่อกี้กับมานั่งตรงนี้เป็นเนี่ยเขาอยากมีนิตจารสัญญาก็ไม่ก้าวล่วงตรงนั้นด้วยอ น, นิจจานุปัสนาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารวิจัยว่าไม่เที่ยงจะเที่ยงได้ยังไงใช่ไหม รูปเวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญาณปียบดยืนเดินนัน่งนอนอะไรเยอะแยะหมดเห็นไหมดูศีลดิศีนไปที่ประชุมของอะไรเนี่ยลองคิดดูสิเป็นที่ประชุมของสมาธิและปัญญายัางไงดูสิวิจัยยันวิปัสนาเกิดเลยนะว่าเป็นอนิจจานุปัสนาเพราะว่าไม่น้องก็หานิจจสัญญาแล้วเป็นสำคัญว่าเที่ยืแล้วก็ไม่กล้าล่วงสุ ข, ขาสัญญาด้วยทุก ข, ขานุปัสนา พิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์เลยวิจัยเหรอโหเป็นที่ตั้งของชาติทุกชะลาทุกพยาดีทุกหมดเลยเพราะอาจว่าทนอยู่ในสภาพเดิดมดดไม่ได้ถูกความเกิดและความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยอนี่ชัดเลยแต่เนี้ยนะเห็นไหมเข้าที่ประณานอย่างแตเนี้ยศีลต้องไปชมในนั้นด้วยไหมไประชมด้วยแล้วก็ไม่กล้าร่วมอัตตาสัญญาเห็นด้วยความเป็นเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นของของเราเห็นไหมเห็นเป็นศาสตร์เนี้ย เห็นเป็นบุคคลเป็นเห็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นหมาเป็นแมวเป็นต่างอะไรเงี้ยที่เห็นอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่ามีอัตตาสัญญาก็ไม่ก้าวล่วงสัญญาประเภทนั้นเลยด้วยอนัตตานุปัสสนาเห็นเป็นแต่เพียงรูปเวทนาสัญญาสั้งกายทั้งใจเห็นสภาวธรรมนะเข้าใจจริงๆด้วยแต่เนี้ยแล้วก็ ไม่ก้าวร่วงนันทิด้วยนิพิทานุปัสนาไม่เพื่อเพลินเลยจะให้เพื่อเพลินได้ไมดเดี๋ยวนี้พบสาวเหมือนไฟไหมเลยเดี๋ยวนี้จะไปเพื่อเพลินได้ยังไงเพื่อเพลินกินดีอะไรวอร์อว์ไงด้วยนิพิทานุปัสนาแล้วก็ไม่ก้าร่วงราคาเลยไม่กำหนัดด้วยเวราคานุปัสนาขายความกำหนักเลยไม่ก้าวร่วงสมูทายบอกไม่ไม่เอ้อ ถามว่ายังจะสร้างตัณหาที่เป็นเหตุเกิดอีกไหมน้อมดับตัณหาหรือน้อมให้กันตัณหาเกิดอะไรเป็นที่เกิดอะไรเป็นที่ตั้งตัณหาตาเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจเนาะตัณหาเวลาจะเกิดก็เกิดที่ตาเนี่แหละหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจเนาะตัณหาจะเกิดก็เกิดที่นี้ถ้าจะตั้งมันตั้งที่ไหนตั้งที่นี่และที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมาลมเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกไหม ใช่ไหมปัญหาจะเกิดเกิดที่เนี้ยถ้าจะตั้งอยู่ก็ตั้งที่เนี้ยจากกุญญาณโสตวิญญาณขานวิญญาณจิวหาวิญญาณการแยกญาณมโนญาณเนี่ยเป็นที่รักเปนที่เจริญใจในโลกไหมปัญหาจะเกิดก็เกิดตรงนี้จะตั้งอยู่ก็ตั้งที่นี้เอานี้โยนสมานเห็นรวงประลมกำหนดรูกมีกําหนดนามมีกําหนดจักรูปัญญามีกําหนดตาไม่ใช่บอกเห็นแล้วไปกําหนดนามเห็นพอไหมไม่พอหรอก เพราะรูปก็เป็นที่ตั้งของที่รักเป็นที่ตั้งของตัณหาเป็นที่เจริญใจของตัณหาจักขูก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจเป็นที่ตั้งของตัณหาเป็นที่เกิดของตัณหาจักขูวิญญาณก็เป็นที่เกิดเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของตัณหาจักขูปสัมผัสก็เป็นที่เกิดเป็นที่ตั้งของตัณหาใช่ไหมจักรูสัมผัสกระชาวเวทนาก็ต้องรอบรู้ทั้งหมดต้องวิจัยทั้งหมดมันถึงจะวิถึงถึงจะกระจายที่ตั้งถึงจะกระจายที่รักได้เข้าใจยังได้เนี่ย อันนี้ก็โอ้โหต้องขยายก็เป็นเรื่องยาวเลยแต่นี้ต้องอันนี้อันนี้เดินให้อยู่สักนิดจะได้เข้าใจว่าจริงๆริง่ะไม่ใช่ว่าเขียนกําหนดนามเห็นแล้วมันพอที่ไหนไม่พอพอไม่พอไม่พอก็อไม่ตรงสูตรอีกพระเจ้าให้กําหนดจักขู ด, ด้วยกําหนดรูปารมณ์ด้วยกําหนดจักขูวิญญาณด้วยกําหนดจักขู่สัมผัสด้วยกําหนดเวทนาที่จะ้จักขู ด, ด้วยกําหนด รูปปัญหาด้วยรูปผสมเจตนาด้วยสัทธาล้นเจตนาด้วยรูปรวิตกด้วยสัทธาวิตกด้วยอะไรท่านสอนให้วิจัยให้เข้าใจอะไรมันเป็นที่รักอะไรเป็นที่เจริญใจก็สิ่งเหล่า น, นี้ยตัญหาจะเกิดก็เกิดที่นี้จะตั้งอยู่ก็ตั้งที่นี้ก็ต้องวิจัยที่ตั้งก็เหมือนนี่นะถ้าหาจะซุ่มเมืองนี้มันจะตีเมืองนี้ตั้งกองกําลังไว้ทั้งร้อยจุดแต่กําหนดจุดเดียว ถ้าไหวไม่ยอมแล้ไมไม่หวแต่ถ้าหากว่าเราประชุมกุศลศีลมาในลักษณะอย่างเงี้ยแปลว่าถามดีอย่างถามจะดีอย่างนเนี้ยเนี่ยถ้าอย่างเี้มั่นใจอันนี้ก็พูด ก, กวา้างๆให้เห็นใช่ไหมแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยถามต้องชัดคําสอนต้องชัดถ้าไม่ชัดเรียบร้อยเลยเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าไล่ไปตามลําดับจนถึงนั่นแหละและไม่ก้าล่วง กิเลสที่ตั้งอยู่พร้อมกันกันกบนิจฉาที่ถี่ด้วยโสดาพดิมะไม่กล้าร่วงกิเลสหยาบๆด้วยสกาธาคามิมะไม่กล้าร่วงกิเลสละเอียดด้วยอนาคามิมะชื่อว่าสีมเพราะถ้าว่าสังวรและไม่กล้าล่วงทั้งปวงด้วยอัดด้วยประการทั้งปวงไม่กล้าร่วงกิเลสทั้งปวงด้วยอาณาธมะเนื้อใจนี้ก็คือว่า ศีลเป็นต้นเหล่านี้นะละปาณาทีบาตเป็นศีลละอาทนาทานเป็นศีลการงดเว้นเป็นศีลเจตนาเป็นศีลสังวรก็เป็นศีลการไม่ก้าวล่วงก็เป็นศีลศีลเห็นตานี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนแห่งจิตนะเพื่อปลาโมดเพื่อปีติเพื่อปัสถิเพื่อความสุขสมนัตเพื่อเสกเพื่อเจริญเพื่อทําให้มากเพื่อเป็นเครื่องประดับเป็นบริขารเป็นบริวารเพื่อความบริบูรณ์เพื่อความเป็นไปแบบ เพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อความคลายกำหนัดโดยส่วนเดียวแล้วก็เพื่อความดับเพื่อความสงบระงับพเพื่อความรู้ยิ่งพเพื่อจัศรู้พรเพื่อปริญนิพานศีลเห็นตา น, นั้นเป็นสังวรไหมเป็นสังวรปริสุทธิ์ที่เนาะความบริสุทธิ์ด้วยการสังวรปิดบาปการสังวรปริสุดที่ที่กายที่สังวรทางกายทางวาจานี่นะใจก็สังวรด้วยเป็นต้นเหล่นี้เป็นอธิศีรษะศึกขาเนะเห็นไหมอธิศีรสิกษาเป็นอย่างนี้ จิตตั้งมั่นด้วยความสังวรด้วยความบริสุทธิ์ด้วยการสังวรย่อมไม่ถึงความพุ่งสร้าง เ, เป็นอวิชเชียะป่าบริสุทธิ์ที่ความบริสุทธิ์แห่งความที่จิตนั้นไม่พุ้งร้างเป็นอธิจิตตสิกขาไหมเป็นอธิจิตตาสิกขานะโยคะวจรทั้งหลายพิจารณาสังวรบริสุทธิ์ที่โดยชอบพิจารณาศีลสังวรโดยชอบเป็นต้นเหล่านี้ยะพิจารณาจิตที่เป็นสมาธิสังวรที่เป็นจิตตสังวรโดยชอบ ก็เห็นอวิถีปะปริสุทธิ์โดยชอบเป็นทัศนะปริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งทัศนะความบริสุทธิ์แห่งความเห็นเป็นอธิปัญญาและฉะนั้นในการสังวรความไม่พุ้งสร้างแล้วก็ทัศนะความสังวรนี่เป็นศีลความไม่ฟุ่งสร้างเป็นสมาธิแล้วก็ทัศนะเป็นปัญญาเพราะสังวรเป็นอธิศีติสิกขานี่ความไม่พุ้งสร้างก็เป็นอธิจิตติสกขาความเห็นแจ้งเป็นอธิปัญญาสิกขา พวกเราทั้งหลายทํำยังไงใดเนี่ยก็นึกถึงสิกขาสามให้ควรถึงสิกขาสามน้อมใจไปในสิกขาสามเพื่อที่ศีลที่จิตที่ปัญญาน้อมใจคิดถึงน้อมถึงอย่างนี้เขาเรียกว่าย่อมศึกษาเมื่อน้อมถึงคิดถึงแล้วรู้เข้าใจเห็นพิจารณาอธิษฐานจิตน้อมไปด้วยศรัทธาไหมน้อมไปด้วยศรัทธาเป็นสติสีไหมประคองจิตไว้เป็น ความเพียรนะตั้งสติมั่นเป็นสติตั้งจิตมั่นเป็นสมาธิรู้ชัดด้วยปัญญาเป็นเมื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงอนะ่ะรู้ชัดยิ่งในธรรมที่ควรรู้ยิ่งรู้อริยสติเลยกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ทุกคนกำหนดรู้ไมะมว่า ทำที่ควร ล, ละสมุทยัยกลุ่มตัณหาราคาเป็นต้นควร ล, ละไหมแล้วก็ทําให้แจ้งในธรรมที่ควรทําให้แจ้งและเจริญในธรรมที่ควรเจริญกรณีที่เข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าศึกษาทุกอย่างศึกษาทั้งอาทิจิตอาทิตศีนอาทิจิตและที่ปัญญาในลักษณะอย่างเนี้ยอันนี้ชื่อว่าศีลเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้อันนี้ก็พูดแบบเยอะๆพอเพราะหมดเวลา ตรงเนี้ยก็ก็ให้ทําความเข้าใจจะได้เข้าใจว่ากรณีการเดินศีลเดินไปในลักษณะนี้แล้วก็จะไปไประชุมศึกข า, าสาวกล่าวดูวศีลสมาธิปัญญาถ้าทําได้อย่างนี้ปนแปล ว, ว่าอะไรแปลว่ากลับบ้านได้ <c oughs> ไปไประชุมนู้น่ในมรรคผลนั่นเละอันนี้ก็จบแล้วจบศีลแล้วเนี่ยแต่ไม่บริบูรณ์ก็ไปทําให้บริบูรณ์กนณีในหลักต่อไปถ้ามีโอกาสก็ศึกษาจิตใจนุปัสสน า, าอ่าเดี๋ยว อุทิกุศกสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีปะมาจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในัดีตและแห่งบุญ ท, ที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใและมีบุญคุณอีมารดาบิดาพรงขระพเจ้าเป็นคนก็รี พี่แล้วพนนี่เ้งก็ดีหลับ อ, อซู่ทเป็นการตาหรือเป็นคู่เอกันก็ดีแต่ทังสายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูทั้งสามอยู่ในกำเลทิทจำสีมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสีขัน กำลังท้าเที่ยอยู่ในภพน้อยไหญก็ดีสัตว์เหาใดทุกชนที่เราเา้าแผ่ให้แล้วขอสัตลาน